สิขาบทวิพังหนึ่งพาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุนีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าขึ้นเครียดพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงความโกรธที่ชื่อว่าคณะ ตรัดหมายถึงภิกษุณีสงฆ์คำว่าบริพาทคือบริพาทว่าภิกษุณีพวกนี้โง่เขลาภิกษุณีพวกนี้ไม่ฉลาดภิกษุณีพวกนี้ไม่รู้จักกรรมโทษของกรรมกรรมบิบติหรือกรรมสมบัติต้องอบัตปาจิตตีบริพาทภิกษุณีหลายรูปภิกษุณีรูปเดียวหรืออนุปสมบัติต้องอบัตทุกกฎ